บัตรนี้จัแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่ทรงสั่งสอนไว้ในหมวดของอยายตนะปภะคือหมวดที่ว่าด้วยการตั้งสติระลึกรู้อารมณ์เวลากระทบกับสิ่งภายนอก โดยการเหตุรูปเป็นต้นว่ามีกิเลสที่ได้ชื่อว่าสังโยชน์ข้าใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงแลื่เพียรพยายามลดละบรรเทาความรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นอันเป็นธรรมปฏิบัติที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันคือจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ไ ด, เได้เพราะประเด็นหลักอยู่ที่ ทำอย่างไรกิเลสที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดกิเลสที่เกิดแล้วจะลดน้อยถอยกำลังลงไปช่วยใจมีความสุขมีความสงบเพิ่มขึ้นแต่ว่ากิเลสที่เรียกว่าประเภทสังโยชน์นั้นในส่วนของการเรียบเรียงเป็นภาษาเป็นอักษรซึ่งต้องกินเนื้อที่ต้องก็เรียงมาตามําดับอย่างนั้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการเรียงกันตามลำดับที่พระย บ, บุคคลนัลละได้แต่เมื่อเขาจะเกิดขึ้นภายในใจเรานั้นไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะนั้นเกิดขึ้นจากการกําหนดอารมณ์ของบุคคลในแต่ละขณะแม้เป็นการมองเรื่องเดียวกันบางคนอาจจะเกิ ด, ก, ดกิเลสประเภทการมราคะคือความกำหนัดรักใคร่พอใจยินดีต้องการปรารถนา บางคนก็อาจจะเกิดก ie ิเลสประเภทปฏิฆะคือไม่พอใจไม่ยินดีไม่ต้องการไม่ปรารถนาบางคนก็อาจจะเกิดกิเลสประเภทไม่แน่ใจคือเครืองแปลงสงสัยปักใจลงไปไม่ได้บางคนก็อาจจะเป็นการเสริมสร้างความเครืแปลงสงสัยมากยิ่งขึ้นหรือว่าลดความเครืแปลงสงสัยลงไปหรือเพิ่มความเป็นตัวเป็นตัวในสูงขึ้นหรือว่าลดความเป็นตัวเป็นตนลงไป แต่ในกรณีลถท่านก็ไม่ไม่ได้สอนโดยในยะนี้แต่แกสอนอีกในยะหนึ่งใ น, นยะนี้สอนเฉพาะให้ดูในส่วนที่กิเลสมันบังเกิดขึ้นแล้วกล่าวมาถึงเรื่องของวิจิกิจชาซึ่งอันที่จริงก็มีอยู่ในระดับของนิวรณ์ด้วยก็มีอยู่ในระดับของสังฆโยตุลด้วยพระวิจิกิจชานั้นเป็นกิเลสประเภทโมหะคือความลง อาศัยความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นๆตามความเป็นจริงอาจจะรู้เห็นบางจุดแต่ก็ไม่รู้เห็นในบางจุดคือถ้าไม่รู้ในบางจุดแล้วก็เพื่อแปรงสงสัยในบางจุดไม่รู้อะไรเลยในบางจุดเป็นต้นสังเกตที่เกิดนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่าการไม่ คิดโดยอุบายวิธีที่เหมาะี่ควรแก่การคิดในเรื่องนั้นๆถึงสำนวจโบราณท่านใช้คำว่าขาดอุบายวิธีที่แยบคายในการคิดซึ่งกนนีเป็นสังเกตว่าโดยธรรมชาติแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นเข้าเป็นกระบวนาการจะเป็นน้ำไหลไฟสว่างน้ำหลากฝนตกแดดออกก็ตามมันก็ไหลมาเป็นกระบวนเป็นระบบหรือคลื่นในมหาสมุทร ถ้าว่าความคิดเราไปคิดอยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งโดยลืมกระบวนการเหล่านั้นเราจะแก้ปัญหาในจุดนั้นได้แต่ก็จะไปสร้างปัญหาอีกในจุดอื่นอย่างที่โบราณท่านใช้คำว่าปัสสวะพน้นหน้าปัญซึ่งก็หมายความว่าคนผู้ปัสสวะนั้นมองเห็นว่าัสสวะนั้นมีปัญหา มันมติดหน้าบ้านก็ทําให้หน้าบ้านสกปรกรู้แล้วก็ไม่สวยงามเก้าไม้มาเขียบมาปัดนี่มันลอยไปจีกอื่นแต่สวะเองแกคงเป็นสวะแกก็ลอยไปจีกอื่นแกก็ไปติดที่บ้านอื่นไม่สร้างปัญหาในบ้านเราก็จริงแต่ว่าสร้างปัญหาที่หน้าบ้านคนอื่นแล้วเอาเขจริงก็บ้านคนอื่นก็บ้านเราก็อยู่ริมคลองเดียวกันถ้าว่าเกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมามันก็ ก็กระทบกระเทือนถึงกันใ น, นการแ ก, แก้ปัญหาโดยวิธีนี้ก็ถือว่าแก้ปัญหาได้เพียงจุดเดียวแต่ก็สร้างปัญหาตอบไปในปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นเราจะพบว่าเหมือนการรักษาโรคนั่นเองนอกจากจะมุ่งบำบัดอาการของโรคโดยสืบสาวไปที่สมุทฐานของโรคในโรคนั้นๆแล้ว ก็ต้องมองถึงโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นหลังจากบําบัด ต, ตรงนี้ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเรากต้องป้อง ก, กันปัญหาเหล่านั้นขจัดปัญหาเหล่านั้นโดยเพราะถ้ า, าอย่างนั้นแล้วมันก็เปลี่ยนจากป่วยอย่างหนึ่งไปเป็นป่วยอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองก็นี้นนสังเกตว่าแม้ในการปฏิบัติความดีบางอย่างถ้าว่าไปเพิ่มความช่วยอีกจุดหนึ่งขึ้น ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการปฏิบัติความดีที่ถูกต้องแน่นอนในจุดที่เขาปฏิบัติมันก็ดีแต่ก็ไม่ไปไม่ไปดีในส่วนอื่นทำนองคล้ายๆกับหายจากโรคชะิดหนึ่งแต่ก็ป่วยด้วยโรคที่แทรกซ้อนแล้วก็พอดีต า, ตายกันแนวก็รทำบานปฏิบัติก็ต้องมองทั้งระบบอย่างนั้นหมายความเมื่อลดกิเลส ต, ตรงนี้ได้กิเลสในส่วนอื่นจะต้องไม่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าเป็นกิเลสไปเพิ่มขึ้นในส่วนอื่นเช่นวาลดส่วนโลภะได้ไปเพิ่มส่วนของการถือตัวไปเพิ่มส่วนของความโกรธไปเพิ่มส่วนของความแข็งดีไอ้ ก, กิเลสที่ลดมันก็ลดแต่ว่าเพิ่มมันมากกว่าลดมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรตําลองคล้ายๆกับเราถูพื้นมาสะอาดแล้วขูนมารยต่อก็เพิ่มความสดกโปรกให้มากยิ่งขึ้น ปัญหาที่จะต้องชำระล้างก็มากกิงก้านเจ้าที่เคยยกตัวอย่างเกณฑ์มาตรฐานในการกําหนดผลซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจภายในพระไทยของพระพุทธเจ้าซึงถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักโปร่งทรงคําเป็นเพียนจนตัดสรุสิ่งที่ตัดสรุนั้นก็คือปัญญารู้ญาณมีลักษณะเหมือนกับแสงสว่างเมื่อปรากฏขึ้นภายในของพระองค์เต็มที่แล้ว ก็กระจัดความมืดบอดด้วยอนาจของวิชาออกไปอย่างสิ้นเชิงคืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันทต่ไม่การมองโลกของพระองค์มองคนอื่นสัตว์อื่นไม่ว่าจะเป็นเทวดา ห, หรือมนุษย์ก็ตามที่เราสวดจกย่องสรรเสริญกันว่าเราพุทธเจ้าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะจากความรู้สึกภายในพระไัยของพระพุทธองค์แล้วทุกชีวิตในโลกนี้อย่างน้อยก็มีทุกในสังสารวัฏ ก็แสดงว่าทุกคนเปนมีความทุกข์กำลังประสบ ค, ความทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์แท้ๆพระองค์เป็นผู้หลุดรอดจากความทุกข์ทรงอุปมาว่าพระองค์นั้นที่จริงแล้วกับชาวโลกก็เหมือนกับเหมือนกับไก่ที่แม่ไก่แกฟักมาอย่างดีแล้วไก่ตัวหนึ่งก็ทําลายกระป๋องฟองไข่ออกมาได้ก่อนไก่ตัวนั้นก็ชื่ออวี เจ้าจึงถือว่าพระองค์เหมือนกับพี่คนโตของชาวโลกตัวเองรอดพ้นจากความทุกข์มาได้แล้วก็ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นน้ำพระทัยของพระองค์จึงมองคนอื่นว่ากำลังประสบความทุกข์เป็นภาระเป็นหน้าที่ของพระองค์ซึ่งเป็นพี่จะต้องช่วยเหลือน้องๆความการุณาจึงมีการเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องแล้วก็สมบูรณ์เต็มเปีย่ยม ในจุดนี้จะต้องเป็นปัจจัยสนับสนุนกันหมายความว่าความกรุณาที่บังเกิดขึ้นนั้นต้องมาจากจิตใจที่บริสุทธิจจ์จากความโศกจากความริษยาจากความโลภจากความแข่งดีอะไรต่างๆจากความเบียดเบียนเป็นต้นเพราะถ้ากิเลสเหล่านั้นข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นความกรุณาก็มีอยู่ไม่ได้แต่ทีนี้ลักษณะของกรุณาบางอย่างอาจจะ เป็นอาการของมารยาคือเจ้าเล่ห์เสียแส่งก็ได้เป็นลักษณะของการโอร้โอวดก็ได้เป็นลักษณะของการแข่งดีก็ได้เป็นลักษณะของการประชาสัมพันธ์โฆษณาตัวเองก็ได้ก็ไม่แน่ก็ดูกล้องดีๆก็มังจักล้องอยู่ก็เสียแส่งถ้าเป็นคนที่มีความกลุ้มใจ เพราะอาการเหล่านี้จึงดูยากเพราะอาการของกิเลสกับอาการธรรมะบางทีนี่ดูยากมากอาการของกิเลสน่าจะสวยงามกว่าธรรมะโดยทั่มไปในบางจุดเพราะธรรมะนั้นมีความจริงใจแต่กิเลสนั้นจะเสแสง้งธรรมะจะมีลักษณะเป็นธรรมชาติคือจะท้อนออกมาเป็นธรรมชาติที่ท่านเป็นอย่างที่ท่านเป็นซึ่งเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกท่านวัตถาคต คือพระองค์เรียกพระองค์เองวัตถาคกฎจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่าท่านเป็นอย่างที่ท่านเป็นไม่มีการเสแสร้งบุคลิกลักษณะของท่านเคยเดินยังไงท่านก็เดินก็ท่านอย่างนั้นมนใจธรรมที่เป็นสงบสุขเงี่ยบต่อนหน้าคนรับหลังคนก็ไปอีเรื่องหนึ่งแต่ท่านก็เสมอต้นสมอปลายขอท่านอย่างนั้นแล้วคนเราท่มีวาสนาติดตัวมาด้วย การแสดงออกทางวาสนานั้นแม้เป็นพระหันท่านก็ตัดไม่ได้อย่างที่ท่านเล่าถึงพระสารีบุตรนั้นมีเรียบทไม่เรียบร้อยไปถึงตรงไหนที่มีน้ําอยู่มีคลองเล็กมีคูเล็กเล็กอยู่คนอื่นก็ลุยไปทางกระโดดซึ่งดูแล้วก็ไม่สวยแต่นั้นก็คือวาสนาของท่านเป็นปกติของท่านอย่างนั้น แต่ว่าลักษณะของมารยาการเสรียแซงการเจ้าเล่การโอร้อวดการแข่งดีเป็นอาการของจิตที่ต้องการได้รับผลประโยชน์ความเคารพนับถือราวสกกา ร, ราการจกจ่องจากบุคคลอื่นทําเพื่อปลนปลื้มตนเองมันไม่ใช่วิธีแบบธรรมชาติแต่เป็นวิธีฝืนธรรมชาติแต่ไม่ใช่ฝืนกิเลสแต่ฝือนอาการปกติของตัวเพื่อต้องการให้คนยอมรับนับถือศรัทธา อย่างที่ท่านเล่าถึงนกยางจําศีลเล่าถึงเสือจําศีลเล่าถึงพระอาหารหันตุมเล่าถึงพระอาหันยัใส่เป็นการเสียเซงเป็นการโอ้ปวดเพราะงั้นในจุดนี้จะต้องมองกลับไปที่ว่าเขาทาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงหรือไม่นี่การบริสุทธิ์ที่จริงมันก็ดูยากเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสภาพจิต เป็นสิ่งที่ใครบริสุทธิ์คนนั้นก็รู้ว่าตัวบริสุทธิ์่าติทรงสแสดงเป็นหลักให้เราคิดดป็นภาษาบาลีที่ว่าสุธิอสุทธิปัจจต่างนันโยอัญญาวิโสธิเยคนเราจะบริสุทธิ์หรือไมไ่หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของรู้ได้เฉพาะตนทำได้เฉพาะตนเห็นได้เฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนสัมผัสได้เฉพาะตน คนหนึ่งจะทาอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่รู้จริงๆก็คือตัวท่านคนนั้นดังนั้นถ้าเราต้องการพิสูจน์ตรสอบเราก็ดูที่ว่าการุณานั้นจะเป็นการเสียแซงหรือไม่ก็ดูที่วัตถุหรือคนหรือสัตว์ส่วนมากกับคนกับสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตความกรุณาเมื่อเกิดกับสิ่งมีชีวิต หรือสืบเนื่องจากกับสิ่งมีชีวิตเราเห็นว่าเช่นเราเห็นเงินก็ตกอยู่แล้ว เ, เกิดสงสารเจ้าของก็ทาไปเกินเจ้าของนั้นก็แสดงว่ากรุณาเกิดขึ้นในวัตถุแต่ที่จริงไม่ใช่วัตถุคือ ป, ประรบเจ้าของพอสงสารเจ้าของก็จะเดือดร้อนจะมีความสูญเสียจะมีความมีตกกังวลเราก็เอาไปให้เขาเป็นการทําเพื่ออภิบาลเขา ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อเราเพรา ะ, ะจุดต่างระหว่างอาการของกิเลสกับอาการของธรรมะจะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งที่สามารถจะดูได้ตลอดก็คือว่าอาการของธรรมะนั้นจะทำเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นจะให้อะไรจะให้แก่ใครจะให้เท่าไร่จะให้โดยวิสีได้ให้ไปแล้วเขาจะรับประโยชน์จากสิ่งที่เราให้หรือไม่คือมองไปที่เขาเป็นประการสาคัญ แต่ถ้าเป็นอาการของกิเลสเป็นมายาเป็นเสสแสงเป็นโอ้ปวดเป็นแข็งดีบองเยทําอะไรจะทําอย่างไรจะทําเพื่ออะไรทําไปแล้วเราจะได้รับประโยชน์อะไรมันคิดถึงเราหรือไม่จะคิดถึงเขานี่คือจุดต่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะการพิสูจน์ทดสอบในบางเรื่องว่าเป็นอาการของธรรมะหรือเป็นอาการของกิเลสจึงดูได้ยาก พระยา จ, จึงทรงสอนเป็นการเน้นย้ำตักเตือนสติของพุทธศาสนิกชนเอาไว้ในลักษณะคล้ายๆคติไทยที่พูดว่าควาขงขูไว้หูคือไม่จะยอมรับไปหทดทั้งสองเรื่องคือไม่จะยอมรับว่าดีไปหมดหรือว่าชั่วไปหมดแต่พ้ใชซในแนวที่เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมต่อไปอย่างเด่งก็แบ่งใจเอาไวส้สักห้าสิบ้าสิบ จะเชื่อสก้าวิี่ที่จริงเชื่อห้าสิบก็เกินเหตุไปแล้วนอกจากว่าแหล่งที่มาของความเชื่อนั้นดีจริงจริง จ, งจึงควรแก่การเชื่อห้าสิบถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนมากแต่ถ้าเรื่องปกติธรรมดาท่างสาาชนท่างหลายเจนว่าเราก็เชื่อได้ไปทั้งร้อยเปซเช่นคนส่งน้ำมาให้เราดื่มเราก็ดื่มนันที ทำไมจึงดื่มเพราะเราเชื่อว่าเขาคงไม่ใสยาพิษแต่ในแง่ความเป็นจริงแล้วว่าคนเป็นมากที่ดื่มด้วยความเชื่อนั้นเดงแต่ก็ตายเพราะตกใสยาพิษเพราะในจุดนี้เองก็ต้องใค ร, ร่ควรต้องมองคนมองอะไรอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่บางอย่างมันเคลื่อนไหวไปเร็วเราก็กำหนดไม่ได้ว่าจริงๆเราก็ตัดสินใจจากคนว่าคนคนนี้ยคงไม่ใสยาพิษให้เรา จึงมีทั้งคนที่รอดปลอดภัยจากยาพิษและก็มีคนตายจากยาพิษโดยใส่ความเชื่อจริงๆวอาใัยความเชื่อเป็นฐานด้วยกันนั่นความเชื่อตั้งจึงสอนให้ใช้ในรูปของปัญญาปนี้พิจารณาไว้โดยพิจารณาที่สิ่งของหรือที่ตัวบุคคลหรือที่มาของสิ่งของเหล่านั้นหรือที่มาของคนเหล่านั้น ตำนองใกล้ๆกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ส่งข่าวมาให้เราเราก็รู้ว่าคนนี้เป็นคนกับผู้ใหญ่ท่านนั้นซึ่งอันที่จริงแล้วคนนี้อาจจะมาอ้างผู้ใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นความสุจริตใจคือมาบอกตามคําสั่งของผู้ใหญ่ก็ได้ปัญหาสำคัญว่าเราจะเชื่อขนาดไหนถ้ายังไม่มั่นใจทาไม่แน่ใจเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่อาจจะ ไปขอรายละเอียดจากท่านอีกทีหนึง่งที่จริงการขอรายละเอียดนั้นไม่ได้หมายความเราทำไม่ได้แต่เราต้องการให้ท่านยืนยันท้านนั้นเองเพื่อเกิดความมั่นใจก็กลายเป็นความสุขุมรอบครอบมีการตรวจสอบมีการพิจารณาในหลายๆจุดด้วยกันทรงแสดงเป็นแบบในการคิดเอาไว้ว่าความเป็นผู้มีศีนั้นจะรู้ได้เพราะการอยู่ร่วมกัน และต้องอยู่ร่วมกันนานๆเพราะการเสแสร้งนั้นเสแสร้งนานๆไม่ได้มันเกร็งมันแข็งคืนจนเกินไปแต่ว่าสีนั้นถ้าเป็นปกติถ้าเป็นปกติของท่านอย่างนั้นเป็นธรรมชาติธรรมดาของท่านอย่างนั้นเห็นเมื่อไร่ท่านก็เป็นอย่างนั้นต่อหน้าคนนก็เป็นอย่างนั้นต่อหลังคนท่านก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆหน่อยไม่ใช่ประเดี๋ยวประดาว บางทีได้ยินข่าวได้ยินเพียงคำพูดได้ยินคำเพียงบอกเล่าเราก็ปรงใจเชื่อไปร0 0แล้วมันแสดงว่าเป็นความบกพร่องที่เชื่อง่ายไปต้องพินิตพิจารณาจึงจะรู้ถ้าหากว่าไม่พิจิตพิจารณาจะไม่รู้เพราะเลยในจุดนั้นเราไม่ได้อยู่ต่อหน้าท่านตลอดบางทีอาจจะเป็นเสียแซงเป็นมารยาเป็นเจ้าเล่ห์เป็นโออวดก็ได้ แต่การตรวจสอบในแนวนี้จึงสวจกับตรวจสอบกลับไปกลับมาว่าจากกรุณากลับไปพิสูจน์ความไปสุดจากความไปสุดไปดูที่ปัญญาจากปัญญาดูความบริสุทธิ์จากความบริสุธิ์ไปดูที่กรุณาเป็นต้นเหมายความมาตรวจสอบกลับไปกลับมาได้แต่เมื่อเห็นความต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็ปรุงใจเชื่อในเรื่องล่านั้นความเครียดแรงความสงสัยซึ่งเป็นอาการของโมหะ มีความเข้มข้นมากบางความเข้มข้นน้อยบ้างอันที่จริงในระดับของสังโยชน์เนี่ยแต่ระดับที่เรียกสังโยชน์นั้นจะต้องมองให้เห็นว่าตัวก็เองเนี่ยมันเป็นตะกอนอยู่ข้างล่างเพราะฉั้จึงต้องมีตัวกระตุ้นมาจากข้างบนข้างนอกคือเราได้เห็นได้ยินได้สุุ่่มได้ลิมได้จับต้องหรือนิ่มนึกสึกนึกตัวเองในกรณีที่เนีย่ยนึกสึกนึก ไปตามวิธีของกิเลสไปตามเสิ่งต่างกิเลสกิเลสมันก็เกิดเพราะการติดนึกเดียวนึกมันนึกก็ดีก็ได้นึกให้เป็นดีก็ได้นึกใหเฉยๆก็ได้หลังอยู่ที่เรานึกเราเองเราคิดตราเองเรากําหนดตราเองเพราะในกรณีนี้ท่านพูดถึงเรื่องของการเดียวนึกตึดนึกแล้วความเครียแปรปงสงสัยก็เกิดขึ้น ก็กระตุ้นขึ้นมาเพราะ ก, กระตุ้นขึ้นมาที่จริงถ้าเกิดขึ้นครุ่งลุ่ใจเป็นความเครื่องแฝงสงสัยที่เกิดขึ้นต่อนเนื่องอยู่ภายในใจตรงนี้ถ้าก็ไม่เรียกว่าสั้งย่อดแล้วตั้งก็เรียกว่านิวรณ์พอมากั้นจิตคนเอาไว้ไม่บรรลุความดีไม่สัมผัสความดี <c oughs> ก็ต้องนอนคล้ายๆกับเราดูไปในภาชนะใน อ, าอ่างใหญ่ๆหรือใน ต, ตุ่มกระดาม เรามองลงไปนั้นก็ที่จริงก็ตะกอนอยู่โคนภาชนะตรงนั้นเราเรียกว่าตะกอนแต่พอทาใครทำภาชนะนั้นให้เขย่ยาหรือไปกวนน้ำระดับหนึ่งไม่แรงแตะกอนเหล่านั้นก็ขึ้นมาน้ำนั้นก็กลายเป็นน้ำขุ่นอยู่ข้างล่าง คือนที่จะเป็นตะกอนแล้วข้างบนเป็นความบริสุทธิ์มันก็กลายเป็นเป็นความขุ่นขึ้นมาระดับหนึงประมวลมากๆ ก, ก็กลายเป็นน้ําสกรปรกแต่ามาน้ำไหนกับน้นําในอ่างนั้นแหละไม่ใช่น้ําที่อื่นเลยการที่น้ําสกรปรกขึ้นไปเพราะตะกอนมันขึ้นมาอยู่ข้างบนเดี๋ยวนีแต่วิตอนที่มันขุ่นมันเป็นตะกอนนอนก้นภาชนะข้างบนมันก็ดื่มได้ ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอกวนเสร็จแล้วก็ดื่มไม่ได้แต่นั้นท่านยังเรียกไว้ในจุดต่างๆ ต, ตามอาการตามความเข้มข้นของกิเลสเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยสิ่งที่เป็นตะกอนนั่นมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะสิ่งไม่ดีอย่างเดียวสิ่งดีๆมันก็มีอยู่แยสิ่งดีๆท่านยังเรียกว่าบารมี มีการเก็บมีการสะสมเอาไว้ด้วยเพราะในกรณีของการเนรูปฟังเสียงเป็นตัวนั้นจึงไม่ได้เจาะจงว่าต้องเกิดกิเลสเสมอไปเกิดธรรมะก็ได้แต่การเกิดธรรมะนั้นก็ขึ้นกับพื้นฐานทางบา ร, รมีของคนเ่านั้นเพราะอารมณ์เหล่านั้นที่ยิงกกระตุ้นแล้วบา ร, รมีก็ขึ้นมาเ้ามีกำลังมากกว่าก็ขึ้นมา ซึ่งบางทีมีลักษณะของการชักกระยอะืออการต่อสู้กันเคยมีกำลังมากกว่าในขณะนั้นกว่านั้นก็ชนาะไปยันที่เคยเล่าเรื่องเรื่องอนาฏบินิกาเศรษฐีที่ท่านทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกเมื่อท่านมาเยี่ยมที่เขื่ที่กรุงราชสุจจขก็ต้องการจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตื่นเต้นมากเพราะติดตามข่าวคราวนี้มานานแล้ว ยิ่งเก็บอกว่าคอยเฝ้าพรุ่งนี้พระองค์จะเสด็จมาเสวยพระตาหารที่นี่ใจแก่ไม่สงบต้องการจะพบไปได้มองกลางคืนมืดมืดเป็นกลางวานันไปเลยลุกขึ้นเดินไปกลางคืนพอเดินไปจริงๆมันก็เจอมืดข่าวแล้วก็กลัวผีเข้าไปด้วยจะไปดีหรือจะกลับดีไปดีหรือกลับดีก็เกิดหลังเละ ข, ขึ้นตัวนี้เราจะเห็นว่าเป็นอาการต่อสู้ที่ชัดเจนระหว่าง ความศรัทธากับความไม่แน่ใจแต่ไม่แน่ใจที่จริงไม่ใช่ไม่แน่ใจไหนพระพุทธเจ้าแต่เกิดไม่แน่ใจในชีวิตกลัวภยัยกลัวอันตรายกลัวผีหลอกกลัวอะไรไปนิ่เกิดพลังอย่างหนึ่งคิดมาคือให้สติตัดเตือนมากันขนาดนี้แล้วต้องไปให้ได้ไม่ต้องกลัวไม่มีอันตรายพระพุทธเจ้ารออยู่แล้ว พลังเหล่านี้ก็เป็นพลังของศรัท ธ, ธาพลังของเหตุผลพลังของความเชื่อมั่นที่มีอยู่ภายในใจมันก็ขาจัดความกลัวความเครียดแคลนต้องใส่ออกไปแล้วถ้าก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนกลางคืนกลางดึกที่สีตะวันที่อยู่ ใ, นในกล้กับพระเวรุวันพื้นที่ก็ติดกันกับพระเวรุวันแล้วก็บรรลุผลในคืนนั้นตัวอย่างเหล่านี้ที่จริงแล้วก็เป็ อ, อาการทางจิต ท, ที่มันสะท้อนออกมาเป็นอาการทางกาย เป็นการกระทำเป็นความเคลื่อนไหวเป็นการเดินไปและเป็นการหยุดอยู่กับที่ละเป็นการลังเลเป็นการถอยหลังอาการเหล่านั้นก็คือสะท้อนธรรมะออกมาพอลังเลมองซ้ายมองขวานี่แสดงอาการของวิจิกิิษามันเกิดตอนนี้กิเลสก็แรงมันเกิดพอเกิดความกลัวม า, มากก็ถอยหลัง แสดงว่าความสงความกลัวนั่นเองความเครึ่อนแปลงสงสัยนั่นเองไปเกิดปัจใจเชื่อว่าจะมีอันตรายก็ถอยหลังเดี๋ยวพลังกสิทธาก็เกิดขึ้นก็ไปฉุดให้หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดึงกลับมาแล้วมองไปข้างหน้าขาจัดความเครื่อนแปลงสงสัยออกไปความเพียรพยายามก็ผลักดันให้เดินไปถึง้พระพุธัชฌาย์ นั่นก็คือการสะท้อนธรรมลักษณะ ส, สะท้อนเหล่านี้ท่านสาชนทั้งหลายจะดูได้จิตของเราว่าจริงๆมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นลูกคราวหนึ่งอาจจะเกิดกิเลสก็ได้อาจจะเกิดธรรมะก็ได้จะหน่าเห็นคนคนหนึ่งกำลังประสบปัญหาทีนี้คนที่ประสบปัญหาปัญหาต้องการว่าโดยพื้นฐานเดิมเนี่ยเราเก็บความรู้สึกต่อคนคนนั้นว่าอย่างไงถ้าเรามองเขาเป็นศัตรู เขากำลังประสบปัญหาแต่พอดีใจเรามีธรรมะอยู่มากก็ไม่คิดถึงเรื่องความเป็นศัตรูแล้คิดจะช่วยเหลือเขาในขณะนั้นแต่ว่าในขณะนั้นกิเลสมันอยู่มากแทนที่จะเกิดสงสารมันเกิดสาะใจเกิดดีใจคนที่เราไม่ชอบคนที่เป็นศัตรูกำลังจะประสบความทุกข์เราไม่ต้องทาอะไรก็นึกแจ้งให้ตายไปเลยก็มีเมขึ้นอยู่กับว่าใจเราในขณะนั้นเป็นยังไง ตกิเลกเกิดขึ้นมากแกก็ออกมาเดี่ยเพราะการรุนแรงในการซ้ําเติมเราจึงพบข่าวบางทีคนที่ไม่ชอบกันตกน้ําคนที่ไม่ชอบกันซึ่งอยู่บนเรือช่วยเหลือเดือดถ อ, อดําพอตายไปดิซึ่งแสดงว่าในขณะนั้นกิเลสมันแรงเราต้องการจะตอบสนองเรียกว่าต้องการจะแก้แค้นก็ได้เวลาพอดีได้โอกาสพอดี เหลือนทีก็ดำน้ําลงไปช่วยแล้วก็บีบคอตายเดิอะไรต่างๆไปตันนี้ก็ภาพเหล่านี้เราก็รู้ข่าวกล่จริงๆก็คือคืออาการทร่ทำมาแต่ที่นี้ตรงนั้นแหละถ้าการุณามันปู๊บขึ้นมาแล้วมีกําลังแรงมันขาจัดความพยาบาทความผูกเวน้นจองไปอเรื่องอื่นค่อยว่ากันวันหลังตรงนี้ต้องช่วยก็กอดแล้วก็ช่วยได้ขึ้นอยู่กับว่ า, ภ า, ภ, าภายในใจเรานั้นในขณะนั้นๆนะั้อะไรก็มีกําลังมากกว่า แต่การจะปรากฏในขณะนั้นที่จริงมันก็สืบเนื่องมาจากตอนก่อนแต่ดูแล้วคลาบเราเจอคําถามกันมาคำหนึ่งเพราะในขณะนั้นสภาพจิตเราเป็นอะไรภาพจิตปกติดีไหมมีความโปร่งเบาสบายไหมถ้าหากว่ า, าจิตใจมีความปร่งเบาสบายโดยพื้นฐานความรู้ทึ่เป็นเรื่องอดีตสะสมอยู่ภายในใจเรามากเราเห็นปั๊บเราก็ตอบได ป, ปุ๊บ คือบางทีไม่ต้องคิดบางทีเขาพูดเพียงครึ่งประโยคเราก็เข้าใจแล้วก็สามารถจะตอบได้แล้วนั้นแสดงเห็นตัวปัญญาบารมีที่มีแรงกระตุ้นมาจากคำถามแต่ไม่ต้องถามครบก็ได้สำนวนเราในโบราณใน้ท่านใช้คำคำหนึงว่าอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ก็หมายความว่าพอคิดจะพูดในเรารู้เขาจะพูดอะไรดูแววตาเขาเราก็รู้เขาคิดอย่างไงนั่นก็คือแสดงว่า จริงที่เรามากระทบมันกระตุ้นกิเลสก็ได้กระตุ้นธรรมะก็ได้เพียงแต่ว่าในกรณีนี้ทรงสอนให้ดูว่าเป็นการกระตุ้นกิเลสได้เกิดขึ้นหรือไม่ถ้ากระตุ้นธรรมะก็ดีแล้วแต่กระตุ้นธรรมะนั่นจะสอนว่าอีกหมวดหนึ่งไม่จะสอนหมวดนี้ตอนนั้นเองเมื่อเรามองถึงเรื่องของการประพฤติปฏิบัติกลายเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องป้องกันบาปก็ละบาป แต่การป้องกันบาปก็ดีการละบาปก็ดีนั่นก็คือการทําความดีให้เกิดขึ้นอย่างน้อยในระดับของการป้องกันบาปและการละบาปในขณะที่เราละความชั่วนั้นก็คือการเพิ่มความดีในขณะที่เราทําความดีนอกจากเพิ่มความดีแล้วเป็นการลดความชั่วตามไปด้วยแต่นั้นเรื่องการใช้สติระลึก การใช้ปัญญาพิจารณาถึงอารมณ์นลดนั้นแล้ววินิจฉัยในกรณีที่จะเพิ่มกิเลสก็ให้รู้ตามความเป็นจริงในขณะนั้นที่สำคัญอย่างยิ่งคือปัญญาต้องมองให้เห็นโทษเห็นโทษเหมือนอะไรเห็นโทษเ้อไฟไหม้ไฟไหม้ในเรารู้โทษของไฟเราก็ต้องพยายามทิ่จะดับ แต่จริงๆแล้วเพื่นสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นโทษนั้นเราจะหลีกีเราจะงดเว้นเราจะป้องกันเราจะสงบระงับดับหรือทำลายอะไรก็แล้วแต่ตามต้งควรแก่กรณีเจนเน็นอสรพิษเลือยมาเราก็หลบโรกณีไปเห็นสัตว์ร้ายเห็นไฟไหม้เห็นลมพายุเห็นอันตรายเห็นรถพุ่งมาจะชนเป็นต้นก็แสดงว่าถ้าเห็นเป็นอันตรายแล้วเนี่ย สติสัมมาจัญญาของเรามีกำลังมากพอเนี่ยเราก็จะหลีกเว้นเรื่องดังนั้นนั้นทายังไงจึงจะมองเห็นอันต ร, รายของกิเลสได้ถ้ายังไม่มองเห็นเป็นอันต ร, รายความคิดจะหลีกหนีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าคนบางคนนั้นอัตยาศัยหยาบช้าก็ได้การจะเห็นอันต ร, รายจึงยากไป อยการสอนธรรมะในการอธิบายธรรมะท่าเคยเล่าถึงพระในอนิกายเสซนพระพูดธองค์บองการอนิกายเซนท่านมีวิธีการสอนบางครั้งเราเห็นว่ารุนแรงแต่ท่านก็ดูลูกศิษย์อย่างนี้มันก็ต้องสอนอย่างเนี้อธิบายอย่างอื่นแกไม่เกิดไม่เกิดความเข้าใจลูกศิษย์ต้องการจะให้อธิบายอาจารย์อธิบายชีย้แจงเรื่องความโกรธลักษณะของความโกรธว่ามันเป็นยังไงอาจารย์อธิบายมันก็ไม่เข้า คือภาษาอนิการเซนเนี่ยเขามาข่าอธิบายอาจารย์ก็ใช้วิธีตีหัวลูกจิตเดี๋ยวไม้ตะพดตะพดถีบออกไปข้างนอกแปิดประตูใส่หน้าแล้วแช่ผลอยู่กลางผลตกข้างนอกพอผลหายถ้าก็เปิดประตูมาแต่ถามเป็นไงรู้จักความโกรธได้ออยังเราจะเห็นว่าที่จริงก็ค่อนข้างแรงแต่ว่าเป็นอุบายวิธีที่ให้คนดูด้วยใจกันตัวเอง เตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบส็จต่อไป